การอยู่ในพบของตนของตนระเริงเล่นด้วยการฟ้อนรําเป็นต้นของเทวดาทั้งหลายเป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเปล่งพระพุทธอุทานเ น, นี่ยนะอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอ น, นิพพิสังเป็นต้นนั่นแหละเป็นการเปล่งอุทานหลังจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการเปิดได้เองของประตูเล็กและบานประตูใหญ่เป็นบุพนิมิตคือเปิดประตูอริยมรร นะประตูแห่งอริยมรรคเป็นประตูแห่งพระนิพพานประตูคืออริยมรรคได้เปิดขึ้นแล้วให้แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกความไม่มีความหิวบีบคั้นเนี่ยเรหายหิวเนี่ยนะเป็นการได้อัมะตะคือกายคตาสติถ้าใครได้กายคตาสติได้กายานุปัสนาสติปทานจะหายหิวในรูปเนี่ยนะหายหิวในรูปด้วยอํานาจของกายานุปัสนาสติปฐานนั่นเองถือว่ากายคตาสติผู้ใดเจริญแล้วก็ อมตะผู้นั้นก็ชื่อว่าได้แล้วแต่ถ้าผู้ไม่เจริญกายยากตาสติก็ชื่อว่าไม่ได้ดื่มอมตะนั่นเองความไม่มีความหิวความกระหายบีบคั้นอันนี้เป็นนิมิตมีความสุขในสุขในวิมุตติสุขในสมาบัติสุขในสามัญญผลสุขในโซดาปฏิพนสกาธาคามิพลอนาคามิพนและอรหัตตะพ ความได้เมตตาจิตของผู้มีเวรทั้งหลายปกติคู่เวรคู่ฆ่ากันน่ยนะการที่ไม่มีเวรต่อกันเป็นบุพนิมิตแห่งพรหมวิหารสเนี่ยนะเป็นบุพนิมิตแห่งเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาทั้งหลายความที่หมื่นโลกธาตุมีธงคันหนึ่งเป็นมาลายัยเรเป็นมีธงเป็นทวงมาลายัยเนี่ยนะเป็นบุพนิมิตความที่พระศาสนามีธงอริยะเป็นมาลายัยนะธงของพระอริยเจ้าเนี่ยนะ พระเจ้ามีธรรมเป็นธงธงอันนี้หมายถึงอริยโพธิปัจจยธรรมนั่นเองนะมีธงคือ โ, โพธิปัจจะธรรมเป็นธงชัยเป็นมาลัยส่วนคุณวิเศษที่เหลือเป็นบุพนิมิตแห่งการได้พระพุทธคุณที่เหลือคุณอย่างอื่นที่ไม่ได้กล่าวนะบุพนิมิตเหล่านั้นก็เป็นเครื่องประกาศว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากประสูตรมาเรียบร้อย พระทีปังกรราชกมุมารถูกบำเรอด้วยสมบัติใหญ่ทรงเจริญวัยโดยลำดับเสวยสิริราชบนปราศาทตรสามหลังที่เหมาะแก่ฤดูทั้งสเหมือนเสวยสิริในเทวโลกสมัยเสด็จไปทรงกีฬาในพระราชุทยานเห็นเทวทูตทั้งสาไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายตามลำดับเกิดความสลดพระหฤทัยเสด็จเข้าสู่กรุงรัมมาวดี เสด็จเข้าไปสู่พระนครนั่นนะทำใจไม่ได้เลยไปเห็นคนแก่เกิดมาไม่เคยเห็นเนคนแก่แล้วเนี่ยทุกคนไม่ต้องแก่อย่างนี้หมดเลยหรือเรียกว่าคือท่านเป็นคนเก่งไนงะท่านเห็นคนแก่หนึ่งคนเนี่ยนะถ้าพูดแบบสมัยใหมนะ่น่ะเขาเห็นโครงเห็นกะโหลกปั๊บเนี่ยนะเขาเขาสมมุติฐานได้เลยว่าถ้าเนื้อมาแปะปับ๊บเอาเนื้อมาแปะปับ๊บเอาหนังมาแปะหน้าคนนี้จะเป็นยังไงเขาเดาถูกได้เลยสมัยใหม่นะ หลักฐานสมัยใหม่เห็นแต่กะโหลกมาอย่างเดียวเนี่ยเขาสามารถสร้างหน้าขึ้นมาได้เลยว่าหน้าคนนี้ควรจะเป็นอย่างไรเมื่อตอนมีชีวิตหรือเห็นหน้าคนนี้ตอนที่อายุ30มสเนี่ยนะหกหน้าควรจะเป็นอย่างไรเขาเขาาสามารถสร้างได้หรือว่าหน้าคนนี้เมื่อ60ไปแล้วสร้างถอยหลังสิหน้าควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะโดยมาแอแอระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มันทําได้เยอะแล้วคล้ายจะเป็นจริงชั้นใดก็ดีคนที่อย่างเห็นคนแก่เนี่ยมองเห็นทุกคนเป็นคนแก่หมดเลย แม้กระทั่งเห็นลูกเล็กเด็กแดงก็โอ๊ยนี้มันก็เดินไปหาความเป็นเป็นคนแก่ทั้งนั้นอะ่ะทุกคนมันจะต้องแก่หมดแม่เราก็ต้องแก่แม้แต่พระฉายาของเราก็ต้องแก่พ่อของเราก็แก่พระเจ้าปูา่ย่าทุกคนแก่หมดเลยเนะี่ยมองเห็นโลกทั้งโลกมีแต่คนแก่ทั้งหมดเนี่ยถามว่าทําใจยังไงกันเนี่ยนึกเลยทุกคนป่วยหมดเลยอย่างเงี้ยเหมือนกับทุกคนได้รับโรคระบาด ท, ที่มันรุนแรงกันทุกคนเลยนะยจะนั่งเย็นสบายเลยไหมไม่เนี่ย พอไปเห็นคนเจ็บภาพเนี่ยนะคนแก่แล้วมันก็ป่วยเนี่ยมองเห็นเป็นภาพเหมือนกับคนป่วยแล้วมีอวัยวะส่วนไหนที่มันป่วยไม่เป็นมั่งเพราะคนมีตาก็มีโรคตาคนมีหูก็มีโรคหูคนมีจมูกก็มีโรคจมูกคนมีฟันก็มีโรคฟันคนมีคอก็มีโรคคอคนมีศีรษะก็โรคศีรษะก็ไล่ไปทุกตัวนั่นเลยมันก็ป่วยได้ทุกอย่างนั่นแหละนันก็ทุกคนจะต้องป่วยเหมือนกันหมดแต่ว่าป่วยคนละโรคคนละโรคตามสมควร แล้วก็ในที่สุดแก่ก็ป่วยแล้วก็ตายเนี่ยนะที่จริงความแก่กับความป่วยของคู่กันในที่สุดก็ตายทุกคนจะต้องตายเนี่ยนะทุกคนจำต้องละทิ้งร่างกายที่จริงท่านท่านเห็นเขาเรียกอะไรนะทำมุเทศตัมมุเทศโลกอันชารานำไปไม่ยั่งยืนเนี่ยท่านคิดลทุกคนเดินไปสู่ชาราหมดโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนถ้าป่วยแล้วทำอะไรได้เนี่ยนะยกแขนยังจะยกไม่ไหวเลยมัน แล้วก็โลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปในที่สุดก็ลาแล้วลาแล้วเนี่ยนะสังลาบ้างไม่ได้สังลาบ้างทำที่นายกรรมบ้างไม่ได้ทำบ้างระวังกันไปแต่ในที่สุดก็ลาโลกนี้ไปตามลําดับก็เกิดสลดใจมากสังเวชมากเลยนะสังเวชแล้วก็กลับเข้าไปสู่เมืองครั้งที่สี่ก็รับสั่งเรียกนายสารทีเรียกนายสารทีหัตทาจานคือพระพุทธเจ้าของเรานี่ขี่ม้าไปใช่ไหม ส่วนพระทีปังกรเนี่ยท่านนั่งช้างแล้วก็ตรัสกับเขาว่าพ่อเอ้ยเรานี่จะไปชมพระราชยานท่านจงเตรียมยานคือช้างไว้ให้พร้อมนายหัตถาจารย์ก็ทูลรับว่าพระพุทธเจ้าค่าแล้วก็จัดเตรียมช้างแปดหมื่นสีพันเชือกครั้งนั้นเทพบระบุชื่อวิศนุ ก, กรรมเนี่ยนะก็ได้ช่วยประดับพระโพธิสัตว์ผู้นุ่งผู้ส่งผ้าหม่มนุ่งผ้าย้อมสีต่างๆสวมกาไลมุกดามุกดาหารเนี่ยนะ ต้นแขนทรงกําไลพระกรอทงทองมงกุฎและก็กุนทนประดับด้วยรัตน์เก้าอันงดงามท่าเมาลีก็ประดับด้วยมาลัยดอกไม้หอมอย่างยิ่งขณะนั้นพระทีปังกรราชกุมารอันช้าง 84% ดหมพันเชือกแวดล้อมแล้วเหมือนเทพกุมารเสด็จขึ้นทรงคอช้างต้นอันหมูพลอันกองพลหมู่ใหญ่ห้อมล้อมแล้วสเสด็จเข้าสู่พระราชธทยาน ที่ให้เกิดความเรื่อนลมลงจากคอช้างแล้วเสด็จตรวจพระราชุทยานนั้นประทับนั่งเหนือพื้นศิลาเป็นที่เย็นพระหฤทัยของพระองค์งามน่าชมอย่างยิ่งทรงเกิดความเกิดจิตความคิดจะบวชขึ้นในทันใดนั่นเองที่จริงแสดงว่าท่านเห็นหน้าลูกแล้วจึงออกมาออกมาเดี๋ยวว่าเห็นหน้าลูกแล้วก็พักเข้าไปพักที่สวนซะหน่อยเนี่ยเอ อ, เ อ, อบวชหน้าจะดีเนี่ยนะ ท่นใดนั้นเองเท้ามหาพรหมผู้เป็นพระขี่นาศพชั้นสุทธาวาสถือเอาสมมาณัปริคารมาปรากฏในคลองจัดศุก ข, ของพระมหาบุรุษพอคิดจะบวชมีคนถวายผ้าเลยเนี่ยนะลงุงเรืองมีคนเขาจะเตรียมบาตรเตรียมบริการมาให้ยังบาตรหน้าถ้ายาไม่ได้ใช้หรอกดูทานแะลพระมหาบุรุษเนี่ยนะทรงเห็นมหาพรหมเท้าขี่นาศพคือขี่นาศพแปลว่าผ้าละหันเนี่ยนะพรหมผู้เป็นผ้าละหัน ก็ตรัสถามวันนี้อะไรทรงสดับว่าส ม, มณะบริขารพระองค์ก็ทรงเปลื้องเครื่องประดับประทานไว้ในมือพนักงานผู้รักษาเรือนคลังเครื่องประดับพระองค์ก็ถือพระขันมงคลตัดพระเกศาพร้อมด้วยพระมงกุฎเวียงไปในพระอากาศกลางหาวขณะนั้นท้าวสกะเทวราชก็เอาพระอบทองรับพระเกศาและพระมงกุตนั้นไว้ทําเป็นมงกุฎเจดีสําเร็จด้วยแก้วมณีสีดอกอินทนิลขนาดสามยอดเหนือยอดเขาสีรุ เรียกว่าเจดีทองอะนะข่ายบนอยู่บนยอดภูเขาทองอะนะครั้งนั้นพระมหาบุรุษทรงครองผ้ากาสาวะผ้าย้อมน้ำฝาดธงชายแห่งผ้ารันที่เทวด า, ท, าทั้งหลายทรงเวียงผ้าเวียงผ้าคู่หรือผ้านุ่งผ้าห่มไปในอากาศพรมก็รับเอาผ้านั้นทำเป็นเจดีที่สำเร็จด้วยรัตนะทั้งหมดขนาด12โยดในพรมโลกก็บุรุษหนึ่งโกดบวชตามเสด็จพระธีปังกรราชกกมารซึ่งกาลังพนวด พระโพธิสัตว์ซึ่งบริษัทนั้นห้อมล้อมแล้วก็ได้บำเพ็ญประธานเจริยาประพฤติความเพียร1ิบเดือนต่อมาออกบวช10บเดือนแสดงว่าบวช ด, ดวดต่อไหนบวชวันเพ็ญเดือน8ดเนี่ยนะวันเพ็ญเดือน8ดก็บวชจนถึงวันวิสาขะเนี่ยนะกลางเดือนวิสาขะก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตอย่างนครแห่งหนึ่งเล่ากันมาว่ามนุษย์ทั้งหลายในนคร น, นั้นหุงข้าวปลาญาตไม่มีน้าเพื่อสังเวยเทวดาในวันนั้น อั น, นไม่ใช่แบบนางสุชาดาใช่แต่ชาวบ้านชาวเมืองเลยแหละแต่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ได้ถวายแด่พระมหาสัตว์พระองค์นั้นพร้อมทั้งบริสัทที่เสด็จเข้าไปบิณธบาติข้าวมะทุ ป, ปายาตไม่มีน้ําก็เพียงพอแก่ภิกษุ์ทั้งหมดนับโกดแต่ในบาทของพระมหาบุรุษเทวดาทั้งหลายใสย่ทิพโอชาลงไปพระมหาบุรุษนั้นครั้นสวยมะทุ ป, ปายาตนั้นแล้วก็ทรงพักกลางวันณนะป่าสาละ ในพระชูทยานนั่นเองเวลาเย็นทรงออกจากที่เรนแล้วก็สละคณะเนี่ยนะนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะต้องจากคณะจึงก็ได้ตรัสรู้ก็รับเอาญ่า8กรรมที่อาชีวกชื่อว่าสุนันทะถวายแล้วสเสด็จเข้าไปยังโคนต้นไม้สำหรับตรัสรู้ชื่อว่าต้นปีพลิคือไม้เรียบไม้เรียบทรงปูลาดญ่าประทับนั่งคสมาธิเอาต้นไม้ตรัสรู้ขณะ90ศอกไว้เบื้องพระปฤษาเนี่ยนะนะนั่งหันหลัง ให้ต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงอธิษฐานความเพียรมีองค์สีว่าจะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปถ้าไม่ได้บรรลุ ก, ก็ไม่ลุกขึ้นเนี่ยนะประทับนั่งนะักโคนต้นโพต่อจากนั้นก็กำจัดมารและพลของมารณราตรนะีช่วงหัวค่ำก็กำจัดมารและเสนามาเนนะพาหงสหสมพินิเมตสาวุธาตังคีเมฆลังอนธะิานนนะ ปฐมยามเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องเจริญอานาปาณสติพระองค์ก็กําหนดลมหายใจเข้าออกในชามหนึ่งสองสามสี่ออกจากชามที่สี่ก็ระลึกชาตินะระลึกชาติตามที่พระองค์ประสงค์มัชชิมยามแห่งราตรีก็พิจารณาด้วยที่ประจักสุพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายจุติปฏิสนธิหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมปัจฉิมยามแห่งราตรีทีสองเป็นต้นไปก็เริ่มพิจารณาปัจจยาการทั้งอนุโลมและ ปฏิโลมเนี่ยนะออกจากปฏิจจะพิจารณาแล้วก็บรรลุโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยซ้ำๆๆๆกัน4ครั้งก็แทงตลอดอรยิยสัจเพราะในช่วงที่เจริญพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้นถือว่าพระองค์มีจตุตฐานเป็นบาตรเนี่ย น, นะฌานที่เป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสนาของพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องเป็น ฌานที่4เนี่ยนะต้องฌานที่สี่เป็นบาทในการเจริญวิปัสนาพิจารณาความเกิดขึ้นแห่งขันหความดับแห่งขันห้5โดยอาการ50เนี่ยนะเช่นชรามรณะเกิดเพราะอะไรเกิดชรามรณะชราแห่งรูปชราวิทนชราสัญญาชราสังขารและก็ความชราแห่งวิญญาณรูปเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชาตันหากรรมและอาหาร รูปดับเพราะอะไรดับอวิชดาดตันหาดับกรรมดับอาหารดับและวิปริณามลรคขณะเนี่ยนะก็พิจารณาเหตุเกิดความดับขันละห้าเออขออภัยขันละสิบมาเกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้าตอนหนึ่งขันนั้นขันห้าคูณสิก็เท่ากับ50เห็นลักษณะการเกิดการดับอ่งขันห้าโดยอาการ50เจริญวิปัสสนาจนถึงโคตรภูญา เวลาอรุเขาเรียอรุโนทยหรือว่าอรุณบวกอุไทัยเขาเรียกอรุโนทยก็คือยามเช้ารุ่งอรุณตอนนั้นเนี่ยอรหัตตมัรตจริงๆก็มีการบรรลุโสดาปติมัคสกธาคามิมัคอนาคามิมัคอรหัตตมัตตอรหัตตมัตตเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาอรุโนทัยพระองค์ก็แทงตลอดพระพุทธคุณทั้งสิ้นด้วยอริยมรรคขยานคืออรหัตตมัตตเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยานพระองค์ก็บรรลือพระพุทธสีหนาถการบรรลือสีหนาถ ทำรามโดยที่ไม่เกรงกลัวใครว่าอนเนกชาเป็นต้นนั่นเองทรงยับยั้งอยู่ใกล้ต้นโพพฤกตลอดเจดวันหลังจากนั้นพระองค์ก็อเข้าไปยับยั้งอยู่ต้นโพพฤกเนี่ยนะตลอดเจ็ดสัปดาห์สวยวิมุติสุขตลอดเจ็สัปดาห์ ประกาศพระธรรมาจากณสุนันทารามด้วยทรงปฏิญญารับอาราธนาแสดงธรรมของพรหมคือหมายความว่าผ่านไปเจสัปดาห์เนี่ยพรหมก็มาอาราธนาพระองค์ก็แสดงพระธรรมาจากณสุนันทารามทรงยังเทวดาและมนุษย์ร้อยโกรธให้ดื่มอมตะธรรมเจแลว่ากนละุ่มพวกที่ออกบวชนี่บรรลุกันหมดทรงยังทรงหลังฝนคืออมตะธรรมเหมือนนะ เหมือนมหาเมฆทั้งสี่ทวีปเสด็จจาริกไปทั่วชนบทปลดเปลื้องมหาชนให้พ้นจากเครื่องพันธนาการได้ยินว่าครั้งนั้นโุมเมตบันติตยับยั้งอยู่ด้วยสุขในสมาบัติไม่เห็นนิมิตเหล่านั้นไม่เห็นนิมิตแห่งการไหวของแผ่นดินนิมิตการประสูตรก็ไม่เห็น นิมิตแห่งการปฏิสนธิก็ไม่เห็นนิมิตแห่งการประสูตรก็ไม่เห็นนิมิตแห่งการตรัสรู้ก็ไม่เห็นนิมิตแห่งการแสดงธรรมาจากก็ไม่เคยเห็นทั้งๆ ท, ที่แผ่นดินไวหวใหญ่เนี่ยทั่วมื่นจั ก, กรวาลก็ไม่รู้ไม่ทราบสักอย่างเพราะอะไรเพราะมีความสุขมากนะลืมอย่างอื่นหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสเล่าให้ภาษารีบบทว่าเมื่อเราประสบความสําเร็จเป็นผู้ชํานาญในาศาสนาคืออภิญญาห้าสมาบัติ8อย่างนี้ พระชินเจ้าผู้นำโลกพระนามว่าทีปังกรก็อุบัติขึ้นในโลกเรามัวเอิบอิ่มด้วยความยินดีในชานเสียจึงไม่เห็นนิมิตสี่คือในการเสด็จอุบัติคือปฏิสนธิในพระคันการประสูตรการตรัสรู้การประกาศธรรมจักอันประเสริฐนี่ก็ไม่รู้ อุปัชันติคือปฏิสนธิชายัญเตคือการประสูติจากพระคันพุชชนเตการตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิยธรรมเทเทสเสนก็คือการประกาศพระธรรมจักรจะตุโรนิมิเตคือนิมิต4ประการคือปฏิสนธิประสูติตรัสรู้ประกาศธรรมจักรความจริงอธิบายว่านิมิตหมื่นโลกธาตุวันไว้เป็นต้นในฐานะ4ีเนี่ยนะนิมิต32ออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ย ก็เกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิประสูตรตรัสรู้และประกาศธรรมจักก็หรือศีไม่เห็นเลยมัวแต่เข้าฌานเนี่ยนะแต่เกิดเนื้ออธิษฐานเข้าฌานที่4เข้ า, ารูปฌานสัก3าวันนี่ก็ไม่ต้องรับรู้อะไรแนละ้วเข้าฌานนะเข้าออกฌานนะทานอะไรสักหน่อยหนึ่งให้ชีวิตมันเป็นไปได้แล้วเข้าฌานต่อก็ไม่ต้องรับรู้แนละ้วผลจะตกแดดจะออกฟ้าจะพาอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแนละ้ว สมัยนั้นพระทีปังกรทศพลอันพระขีนาศบสี่แสนรูปวเวทล้อมแล้วอันนี้ปกติพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีภิกษุบริวารประมาณสี่แสนรูปเสด็จจาริกไปตามลําดับก็ลุถึงนครเชวรัมมะเป็นเมืองที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่งประทับอยู่ณนะสุทัศนมหาวิหารชาวรัมมานะครฟังข่าวว่าได้ยินว่าพระทีปังกรทศพลทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้ว สเสด็จจาริกมาโดยลำดับถึงรำ ม, มนคลแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ณสุทัศน์มหาวิหารพระองค์ก็ถือเอาเพสัตมีเนยเป็นต้นฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ห่มผ้าอันสะอาดถือดอกไม้ทูบและของหอมเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายบังคมบูชาด้วยดอกไม้เป็นต้นนั่งณนะที่สมควรส่วนหนึ่ง ฟังธรรมกถาอันไพเราะอย่างยิ่งนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นลุกจากที่นั่งแล้วกระทําประทักศิณพทธสภากลับไปเนี่ยนะเพราะนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเขาอย่างมากที่เกิดในสมัยพุทธกาลในสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะได้กราบได้ไว่ายได้บูชาถวายดอกไม้ของหอมประเทีบโคมไฟมีการฟังธรรมกถาฟังอริยศาสตร์ฟังอนุปุทธกถาเป็นต้นมันก็ หลังจากนั้นก็นิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปไปฉันที่บ้านาในเมืองนะไปฉันในเมืองในวันรุ่งขึ้นเพราะในวันรุ่งขึ้นชาวเมืองเหล่านั้นก็จัดอาัศาธิสะมหาทานนะซึ่งอัศาธิสะมหาทานเนี่ยเป็นการให้ทานแข่งระหว่างชาวเมืองกับพระราชาเนี่ยนะว่าระหว่างพระราชากับชาวเมืองเนี่ยสกลุ่มเนี่ยใครจะทําบุญให้มันยิ่งกว่ากันได้เรียกว่าอัศาธิสะมหาทาน ไม่มีอะไรเสมอเหมือนอย่างทานแบบนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างมนดบมุงบังด้วยดอกบัวขาบอันไร้มนทินและน่ารักประพรมไปด้วยของหอมสี่ชนิดโรยดอกไม้หอมครบห้าครบห้ารวมทั้งข้าวตอกตั้งหม้อน้ำเติมด้วยน้ำเย็นอร่อยเอาไว้สีม่มุมมนดบปิดบังด้วยใบยตองผูกเพดานผ้างามน้าชมอย่างยิ่งเสมือนดอกฉบา เรียก ว, ว่าสีแดงค่ะดอกชาบาเนี่ยออกแดงๆกันนะหรือว่าดอกชาบามีหลายพันธุ์แล้วก็เหมือนดอกชาบาไว้ในบนบนดบประดับด้วยดาวทองดาวแก้วมณีและดาวเงินห้อยพวงพวงของหอมดอกไม้พวงใบไม้และพวงรัตนะสะเดาะวันเรียกว่าอะไรนะสะเดาะวันเคราะร้ายด้วยทูบทั้งหลายมีการสะเดาะคราะหด้วยนะ และทำรามะนครที่น่าเรื่อนรมนั้นให้สะอาดสะอ้านทั่วทั้งนคร ต, ตั้งต้นกล้วยพร้อมทั้งผล น, นะกล้วยกระวัดตัดต้นกล้วยมาทั้งพร้อมลูกอะ่ะคือประเพณีเหล่านี้เราอย่าไปคิดว่าไม่มีจริงนะทุกวันนี้เขาก็ยังทำแต่ว่าทำระดับหมู่บ้านเล็กๆหน่อยนะก็มีทากันทั่วไปหมดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ทาเยอะมาก หรือไม่ก็ช่วงฟังพระเวสสันดรเนี่ยทางทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานเนี่ยมีดาวทองดาวอะไรแขวนมีรูปนกรูปอะไรตัดต้นกล้วยต้นอ้ อ, อยมาผูกตามเสาตามอะไรเนี่ยอย่างที่ว่านี่มีอยู่จริงนะสมัยนี้เขายังทําเล ย, ยว่าสมัยโบราณหรือย่างนั้นทำชาว เ, เมืองรัมยานะครก็ทําให้สะอาดรื่นรมเนี่ยสะอาดเท่ารับเอเปกต์วัฒนธรรก็ทําทรับมีการชําระบ้านชําระเมืองเลยแหละให้สะอาดสะอา้านทั่วทั้งนคร ทั้งต้นกล้วยพร้อมทั้งผลหม้อน้ำเต็มประดับด้วยดอกไม้ยกธงประตากทั้งหลายยกทงหลากสีเนี่ยนะเหมือนธงชาติเนี่ยมาตั้งไว้โชว์สู่สวัยทั่วไปหมดล้อมด้วยกําแพงผ้าม่านทั้งสองข้างถนนใหญ่ตกแต่งทางเสด็จมาของพระทีปังกรทศพลเนี่ยนะคิดว่าทุกคนมาร่วมกันต้อนรับเสด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าจัดแจงจัดการสถานที่อย่างเรียบร้อยใส่ดินฝุ่นลงตรงที่น้ําเสาะถม ตรงที่เป็นตมทำที่ครูคราให้เรียบโรยด้วยทรายที่เสมือนมุกดาปโปรยด้วยดอกไม้ครบห้าทั้งข้ขาวตอกเนี่ยนะก็หวานข้าวตอกลองไปด้วยแล้วก็จัดผลทางที่มีต้นกล้วยต้นหมากพร้อมทั้งผลเอาไว้เนี่ยนะสมัยนั้นท่านสุเมศดาบทโลดขึ้นก็เหาะขึ้ น, น, น, นจากอาสมของตนเหาะไปทางอากาศโดยส่วนเบื้องบนมนุษย์ชาวรามนาครเหล่านั้น สุเมธดา บ, บทเห็นพวกเขากําลังแพ้วถางหนทางและตกแต่งหนทางก็เลยคิดเกิดว่าเหตุอะไรเนาะทำไมกันโอ้ดูทุกคนเนี่ยทำอย่างมีความสุขหน้าชื่นตาบานเพราะทุกคนที่ทํารับเสด็จจะทําแบบเครียดเลยใช่ไหมมันเหมือนกับถูกกะถูกเกณฑ์มานะคือเราว่าเขาทําบูชาคนที่เขาเคารพที่สุดทุกคนจะยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสมีความสุขเพลิดเพลิน ก็ลงมาจากอากาศถามว่าท่านหล่ท่านผู้เจริญพวกท่านแ้วถางหนทางนี้เพื่อประโยชน์อะไรกล่าวเป็นคาถาว่า มนุษย์ทั้งหลายแถบเทินปัจจันตะประเทศนิมนต์พระตถ า, าคตแล้วมีใจเบิกบานช่วยกันเพ้าถางหนทางสเสด็จมาของพระองค์สมัยนั้นเราออกจากอาสมของตนสลัดผ้าเปลือกไม้เหาะไปในบัดนั้นเห็นคนที่เกิดความสงบนัดปกติถูกกะถูกเกณฑ์มาสร้างถนนหนทางนี่แหมหน้าเครียดเลยนะแต่นี้ทำด้วยหน้าตายิ้มเย้แจ่มใส ย, ยินดีร่าเริงบันเทิงใจแล้วก็ลงจากท้องฟ้าถามมนุษย์ทั้งหลายไปทำที มหาชนผู้เกิดความโสมนัสยินดีร่าเริงใจแล้วก็พาถามว่ามหาชนผู้เกิดความโสมนัสยินดีร่าเริงบันเทิงใจพวกท่านแผ้วถางหนทางเพื่อใครมนุษย์เหล่านั้นถูกสุมเมศดาบทถามอย่างนี้แล้วก็ตอบว่าท่านสุมเมศเจ้าค่าแสดงมารู้จักชื่อเลยน ะ, ะท่านไม่รู้อะไรตัณฑ์ซะก่อนเลยนะไปทำอะไรยูว่างั้น พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐพระองค์เนี่ยตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ประกาศธรรมจักรมาแล้วเสด็จจาริกไปในชนบทมาถึงนครของพวกเราประทับอยู่ณสุทัศนะมหาวิหารพวกเรานิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงช่วยกันเท่าทางหนทางเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์นั้น ดีใจนะทุกคนเนี่ยสร้างที่เรียกว่าถางทางเพื่อพระพุทธเจ้าเราถางทางในโลกนี้พระพุทธเจ้าชําระทางไปสู่เทวโลกแล้วก็ชําระทางไปสู่พระนิพพานที่เรียกว่าทําคนละทางกันนะพระพุทธเจ้าทําชําระทางอันประกอบไปด้วยองค์8มนุษย์ทั่วไปก็ทําทางที่ประกอบด้วยอิฐหินปูนสหายเนี่ยนะคนละเส้นกันนะนะ ครั้งนั้นโซเมธบัณฑิตสดับคํานั้นแล้วก็คิดว่าแม้คําโฆษณาบอกกล่าวประกาศว่าพุทธโธก็หาได้ยากจะป่วยกล่าวปลายถึงความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบางประเทศนี่เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าคือใครแทบไม่เคยได้ยินในโลกตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่รับทราบรับรู้รับเห็นอะไรทั้งนั้นว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงเนี่ยแทบไม่ได้ยินกันเลยเพราะนั้นคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังฟังได้ยากหาฟังได้ยาก จะกล่าวไปยายถึงบุคคลที่มีคุณธรรมเช่นนี้เกิดขึ้นจริงถ้าอย่างนั้นนะเราจะร่วมกับคนพวกนี้ช่วยกันแพ้่ถางหนทางก็ควรแท้เนี่ยสมควรได้โอกาสที่เราจะทำบุญเป็นพุทธบูชากับเขาแ ล, ล้วล่ะ สุเมศบัรดิตก็เลยกล่าวกับมนุษย์ชาวบ้านเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญถ้าพวกท่านแท้าทางทางเพื่อพระพุทธเจ้าเอายก็จงให้โอกาสแห่งหนึ่งแก่เราบ้างแม้เราก็จะร่วมกับพวกท่านช่วยแท้าทางหนทางเพื่อพระพุทธเจ้าพวกมนุษย์เหล่านั้นก็รับปากว่าดีสิว่ากันรู้อยู่ว่าสุเมศบัณฑิตผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจึงกําหนดโอกาสแห่งหนึ่งซึ่งแท่าทางอย่างไม่ดี เป็นสถานที่ถูกน้ําเซาะพังครุขระย่างหรือเกินนะครับแม้ถ้าจะมอบสักที่หนึงโอ้คนนี้พิเศษนต้องให้ที่ทำํำยากหน่อยก็เลยมอบให้ด้วยกล่าวว่าขอท่านจงเพ่ี้ยถังโอกาสตรงนี้และตกแต่งให้ด้วยนะดูสิเซาะลึกขนาดไหนสุเมศบัณฑิตก็เกิดปีติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์นั่นแหละลึกถึงแต่พระพุทธเจ้ามีปีติเอื้อิอ็ปราบเริ่มคิดว่าเราสามารถที่จะทําโอกาสแห่งนี้ให้หน้า ให้หน้าชมอย่างยิ่งได้ด้วยริดแต่เมื่อทําอย่างนั้นก็ยังไม่จุใจเราหมายความว่าใช้คนอื่นทําก็ได้ใช้ริดทาก็ได้ไม่ยากอะไรแต่ว่ามันไม่เหมือนกับทําด้วยมือตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะช่วยขวนขวายด้วยกายยิงจะสมควรต้องสละแรงกายเลยแหละแล้วก็เลยนําดินฝุ่นมาถมณนะประเทศแห่งนั้นให้เต็มเลยนะถมยังไม่เต็มเขาเจออะไรขึ้นก่อนเดีย๋ยวพักก่อนก็แล้วกัน ค่อยว่าถมทางทำทาง